ย้อนกลับมาในหน้าทวนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเอาข้อความในจากพระวินัยปิฎกเนี่ยนะมหาวัคมหาคันตะกะที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคปรารภหรือปริวิตกที่จะสอนธรรมให้แก่สัตว์ทั้งหลายในข้อ10มหาคันตะกะหน้า39ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนำเรว่า เราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจกรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นแหละพระองค์ก็ดาริต่อไปว่าอาราละดาบทการามโคดนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีคือกิเลสในจักูุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่อาลาละดาบทการามโคดก่อน เธอจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันก็ปราบถึงผู้ที่จะสงเคราะห์นะผู้ที่คู่ควรแก่การสงเคราะห์ก็คือผู้ที่มีกิเลสเบาบางนะที่ถูกสมาบัตินิ่ขมเอาไว้เพราะว่าผู้ที่มีกิเลสหนาจิตใจเศร้าหมองก็ยากที่จะเข้าใจอริยสัจธรรมเพราะว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะของผู้ที่มีใจเศร้าหมองแต่เป็นธรรมะของผู้ที่มีจิตใจที่ พองแผ้วอย่างน้อยด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ทั้งในสมัยนั้นก็เล็งถึงผู้ที่มีสมถะทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจสงบจากบาปอกุโสลธรรมทั้งหลายด้วยปฐมฌานเป็นต้นอาะลาละดาบทนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติควรแก่การไปสงเคราะห์พระองค์ก็เลยปรารบถึงว่าอาะลาลดาบทกลามโคดเนี่ยสามารถที่จะรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างรวดเร็ว ที่นั้นเทพพญดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าอาลาลดาบทกาลามโคดสิ้นชีวิตได้เจวันแล้วพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอาลาลดาบทกาลามโคดสิ้นชีพได้เจ็วันแล้วพระองค์จึงทรงดำริ ว, ว่าอ า, าลลดาบทกะลามโคดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสื่อมใหญ่ในเสื่อมขนาดไหนก็เสื่อมจากการบรรลุมรรคผลจึงอยู่ถึงจะได้อรูปฌาน ได้อรูปประชานไปเกิดในอากินจัญญายตนะภพแต่การไปเกิดณที่นั้นก็ไม่ต่างอะไรจาก เ, าเมืองสวรรค์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะอันตรธานไปได้อรูปประชานทั้งหลายก็อันตรธานไปได้ดั้งในที่สุดผลของการเข้าถึงอากินจัญญ า, ายตนะภพก็ไม่มีเหลือพระองค์ก็เลยคิดว่าเขานี่เสื่อมใหญ่เสื่อมจากการบรรลุมรรคผล เพราะรออีกแค่เจ็ดวันเศษก็จะได้บรรลุโสดาปฏิมร์โสดาปฏิพลจนถึงอรหัตตมร์อรหัตตผลแต่เขาก็เป็นผู้ที่เสื่อมใหญ่แล้วเสื่อมจากการบรรลุมรกผลเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในยรอบพลาดโอกาสเพราะว่าถ้าหากว่าเธอได้ฟังอริยสัจธรรมนี้แล้วจะพึงรู้ทั่วถึงคือแทงตลอดบรรลุมร์ผลได้อย่างรวดเร็วฉับพลันเนี่ยนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริต่อไปว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนน้อใครจักรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าอุทะกะดาบทรามบุตรนี่แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจกักรสุน้อยเป็นปกติมานานถ้าการะไรเราพึงแสดงธรรมคือแสดงอริยสัจธรรม แกอุทกะดาบทรามบุตรกรเธอจักรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างฉับพลันก็เพราะว่าอุทกะดาบทรามบุตรนั้นได้เนวสัญญาณสัญญายตนะอาศัยเนวสัญญาณสัญญาเยตนะเป็นบาทในการฟังอริยสัจธรรมสามารถที่จะพิจารณาอริยสัตตรัสรู้ได้อย่างฉับพลันแน่นอนแต่ทีนั้นเทพพ ย, ยดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อุทกดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้เนี่ยนะเมื่อวานเย็นเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอุทะกะดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้แล้วพระองค์ก็เลยดำริว่าอุทะกะดาบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ถ้าเธอได้ฟังอริยสัจธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงคือสามารถที่จะปฏิบัติ ตรสรุอริยสัจได้อย่างฉับพลันแต่ก็เสื่อมแล้วพลาดโอกาสเนี่ยนะพลาดโอกาสจริงๆน่าเสียดายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดเริว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากได้บารุงเราผู้ตั้งหน้าบาเพ็ญเพียรอยู่ ก็เป็นผู้มีอุปการะมากคอยถวายนา้ําคอยปัดกวาดที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากระไรเราเพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีก่อนครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงนาเรตต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีนี้อยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีอยู่ณนะป่าอิสิปั ต, ตนะมฤุทายวันเขตพระนครพา ร, พารณสีด้วยที่พจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์เนี่ยนะ ก็เห็นได้ด้วยตาทิพย์ว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ป่าอิสิปตนะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นป่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กันครั้งนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ณนะตาบลอุรุเวลาประเทศตามพุทธาพิรมแล้วก็เสด จ, จาริกไปทางพระนครปารณสีก็คือประทับอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพระองค์แตะสุวันเพเดือน6ใช่วันเพนเดือนหกแล้วก็จากนั้นไปหาวันเพนเดือน8พระองค์ก็ประทับอยู่ หลังจากที่ปรารบจะสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะประมาณสัปดาห์ที่7เนี่ยนะสัปดาห์ที่7พระองค์ก็ปรารบว่าจะสอนใครทัร้นพระองค์ก็พักอยู่ที่นั้นอีก10กว่าวันจนถึงวันอาสาฬหะปุณมีก็คือวันเพนเดือน8พระองค์ก็เสด็จเดินทางไปพาราณสีครั้งนั้นพระองค์ก็เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสีเนี่ยนะจาก พาราณสจากพุทธคยาเนี่ยนะแถวแถวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปพราราณสีก็18โยชน์ก็คือ200กว่ากิโลเนี่ยนะครั้งนั้นอาชีวกชื่อว่าอุปกะก็ได้เข้าไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือระหว่างที่พระองค์เสด็จดำเนินไปก็พบอุปกะชีวกเนี่ยนะที่พระองค์กําลังเดินทางไกลระหว่างแม่น้ําขยาและไม้โพเจียงก็เสด็จไปยังไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะก็ใกล้ๆแถ ว, แถวบริเวณต้นโพนะั่นแหละไม่ห่างเท่าไหร่ เพราะว่าแถวต้นโพกับแม่น้ําขยานี่ไม่ห่างกันมากพระองค์ตรัสรู้ที่แม่น้ําเนรัญชาใช่ไหมก็แม่น้ําขยาก็ไม่ไกลาจากนั้นเท่าไหร่ครั้นแล้วอุปการชีวกก็กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนนวุโสอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสยิ่งนักเกราแรกตรัสรู้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้เนี่ยก็มีผิวพันธุ์ผ่องใส ย, ยิ่งวันตรัสรู้ด้วยเนี่ยผิวพันธุ์ผ่องใสผิดปกติมั้งนั้นเถอะ กว่าธรรมดามากกับวันปรินิพานเนี่ยนะสองคราวเนี่ยผิวพันธุ์จะปิดปกติมากแต่ถ้าแต่ถ้าว่าแม้แต่ธรรมดาก็ผิวพันธุ์ผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจที่ผ่องใสเป็นสมุทฐานโดยเฉพาะจิตที่เป็นมหากิริยาจิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นอริยผลสามัญญผลทั้งหลายเป็นสมุทฐานมันผู้ที่มีกุศลธรรมมีคุณงามความดีอยู่กับจิตที่ดีเนี่ยนะผิวพันธุ์ก็ผ่องใส หน้าเลื่มอมใสอะนะก็เลยบอกว่าอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพัธุ์ของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องดูก่อนอนาะวุโสท่านบวชอุทิศใครท่านเจาะจงให้ใคร น, นะคือหมายความว่าชีวิตของท่านสละเพื่อใครวางั้นใครเป็นศาสดาผู้สั่งสอนประโยชน์ให้แก่ท่านหรือท่านชอบใจธรรมะหรือท่านพิเศษในลทัทธิใดอะนะชอบใจธรรมะก็คือท่านมีลทัทธิอันใด เมื่ออุปกาชีวกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบด้วยคาถาว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเราเป็นผู้ครอบงำนะด้วยปัญญาเนี่ยนะครอบงำธรรมทั้งปวงด้วยหรือว่าเน้นว่ารมในภูมิสามเรารู้ธรรมทั้งปวงอะนะทางกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตรภูมิอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในวัตตะเนี่ยนะ เกวตันหาและทิถิไม่ฉาบทานในการมาพบรูปประพบอรูปประพบอีกแล้วละธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามได้หมดก็คือละฉันทราคะละเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพสามได้หมดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะด้วยอริยมรรคเพราะสิ้นไปแห่งตันหาก็คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถึงความสิ้นไปแห่งตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือ เราตรัสรู้ยิ่งเองแล้วเนี่ยนะอภินยนยะเนี่ยนะอภิญญาตะเนี่ยนะหรืออภิญญะเนี่นยนะอภิญญาเนี่ยรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าเนี่ยนะกิจเหล่านี้ทำได้ด้วยตัวเองจะต้องอ้างใครอาจารย์ของเราไม่มีคืออาจารย์ที่สั่งสอนวิธีการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอาจารย์ที่สั่งสอนให้เจริญโซดาปฏิมัศสกาธาคามิมาคานาคามิมาคและอรหัตตมัก เพื่อทำให้พระนิพพานให้แจ้งไม่มีแก่เราแล้วก็คนเช่นกับเราก็ไม่มีเนี่ยนะไม่ต้องไปหาลอกว่าใครจะเช่นกับเราบุคคลเสมอเหมือนกับเราก็ไม่มีไม่มีผู้เสมอเหมือนเนี่ยนะจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบตรวจว่าจะเหมือนกับท่านในโลกพร้อมกับเทวโลกนะไปหาเธอในโลกนี้หรือเทวโลกก็ตามที่จะเปรียบเสมอกับพระองค์ไม่มี เพราะพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ในโลกพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ในโลกอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้สมควรในโลกผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรผู้ห่างไกลาจากบาปอกุณสธรรมทุกชนิดผู้ควรแก่ปัจจัยสี่ควรแก่การกราบการไหว้การลูกรับคู่ควรแก่การเชื่อเชิญควรทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเป็นาศ า, าสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในบรรดาผู้สอนทั้งหลาย สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งจะมีผู้ใดเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าในบรรดาผู้พาสรภพสัตว์ตตทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้น เราเป็นผู้มีใจเย็นแล้วเพราะดับไฟคือกิเลสได้แล้วเนี่ยนะคือว่าเป็นผู้ที่เย็นใจจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่บอกโอ้ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยไม่ต้องบอกกันอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกให้ใจเย็นเพราะมันเย็นโดยสภาพเหมือนห้วงน้ำลึกที่ใสแล้วก็เย็นสนิทชั้นใดจิตใจของพระองค์ก็เย็นเพราะปราศจากราคะที่ทำให้เราร้อนอะนะไม่ร้อนระอุ ด, ด้วยราคะไม่ร้อนระอุ ด, ด้วยโทสะ แล้วก็ไม่ร้อนระอุหรืออบอ้าวด้วยอำนาจของโมหะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเพราะดับสงบประ ง, งับดับความเศร้าหมองทั้งหมดได้หมดแล้วบัดนี้เราจะไปในเมืองออไปเมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไปเรียกว่าหมุนวงล้อแห่งอริยสัจจะรมให้เป็นไปเราจะตีกลองแห่งอมตะในโลกอันมืดมิดรต่กาตีกลองคืออริยมรรคนะ ถือว่าเป็นกลองแห่งพระนิพพานคืออริยมรรคในโลกที่มืดมิดลองามาคิดดูนะมันมืดขนาดไหนมืดถึงขนาดว่าสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจก็ไม่มีสัมมาสังกปะเป็นต้นก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดเป็นโลกที่ปราศจากธรรมจากสุขเป็นโลกที่ไม่มีโสดาบติมรรคสกทาคารมมรรคอนาคามีมราามมรคอรหัตตมรรคเป็นโลกที่ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัจธรรมนั้นก็ต้องไปตีกลองเนี่ยนะตีกลองแห่งอมตะ คือไปเปิดเผยอริยมรรคเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ธรรมะจักสุเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีธรรมจักสุเห็นอริยสัจธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีธรรมะจักสุได้สักเห็นอริยสัจด้วยสกท า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคเป็นต้นพอพระองค์ตรัสตอบอุปการชีวกอย่างนี้แล้วอุปการชีวกก็บอกว่าดูก่อนอวุโส ท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนั้นโอ้ยเป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละดูท่าแล้วเป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วแปล ว, ว่าผู้ที่เข้าถึงอรหัตผลเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราผู้ชนะชนะอะไรว้างชนะกิเลสมานมัจุมานเทวปุตตมารขันธมานเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์คือผู้ชนะดูก่อนอุปกะ เราชนะธทมอันเป็นบาปได้แล้วทำอันเป็นบาปคือราคาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ น, นะผู้ชนะมารทั้งห้าแล้วก็ชนะทมอันเป็นบาปเนี่ยแล้วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือชนะจิตใจที่เป็นบาปชนะจิตที่เป็นอกุศลที่อยู่ในใจ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปการชีวกก็บอกว่าท่านพึงเป็นผู้ชนะเถิดผู้มีอายุก็ขอให้ชนะอนะครับมุทิตาด้วยอนุมโมทนาด้วยขอให้ชนะต่อไปกม้มศีรษะหรือว่าสันศีรษะแล้วก็แยกทางออกไปแขกสันศีรษะนี่แปลว่าเห็นด้วยนะยอมรับเออเก่งๆใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ถ้าผงกหัวนี่ไม่เอาด้วยนะนี่นะถ้าไทยเนี่ยถ้าสันหัวก็แปลว่าไม่เอา แต่ถ้าพระงออกหัวแปลว่ายอมรับเนี่ยนะก็ต้องดูว่าธรรมเนียมไหนอีกที่นึ่งกันนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จจาริกโดยลําดับถึงป่ายิสิ ป, ปัตนามฤุกทายาวันแขวงเมืองพารณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลสมัยนี้เขาเชื่อว่าเจ้าคันธีสถูปตรงนั้นเนี่ยนะเอ่อ สถูปตรงนั้นเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นของพุทธศาสนาตอนหลังก็ศาสนาอื่นมาสร้างเจดีข้างบนครอบเนี่ยไอเจดีหกเหลี่ยมนั่นอะ่ะข้างบนเนี่ยเป็นของคนละศาสนาแต่ฐานล่างเนี่ยเป็นของพระพุทธศาสนาหลายท่านก็เชื่อว่าณที่ตรงนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าพบกับพระปัญจวัคคีเนี่ยเชื่อว่าอย่างนั้นพอพระองค์เสด็จไปถึงนะพระปัญจวัคคีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล แล้วก็ได้นัดหมายแก่กันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคโดมนี่เป็นผู้มากมากมากๆกไงก็ดูสิกลับมาชั้นบำุงสุขภาพสะอ้วนพีงดงามไปเลยเนี่ยบัดนี้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนมากมากเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ไม่สังสมวะตะัตตตอนนี้มาสังสมไขมันเป็นต้นก็ไม่เห็นด้วยและที่จะต้องมาชั้นมาสเสวยความสุขแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วนกันบัดนี้พระองค์กาลังเสด็จมาพวกเราไม่ต้องอภิวา ไม่ต้องกราบนะอภิวาทแปลว่าการกราบไม่ต้องกราบหรอกไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ปกตินี้ในฐานะสิทธิ์เนี่ยนะอาจารย์เดินมาเนี่ยต้องลุกยืนเนี่ยนะอันนี้โดยธรรมเนียมธรรมเนียมทางผู้ที่เป็นอารยชนทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าถ้าอาจารย์เดินมาเขาจะต้องลุกขึ้นยืนต้อนรับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรับเพราะเราไม่นับถือท่านว่าเป็นอาจารย์แล้วไม่พึงรับบาดรับจีวรของพระองค์แต่ก็พึงแต่งตั้งอาสนะเอาไว้เพราะอะไรเพราะท่านคนตระกูลสูง ันท่านมาแล้วถ้าไม่ปูที่นั่งเอาไว้ให้บ้างก็หน่าเกลียดเกินไปก็ปูอาสนะให้ซะหน่อยว่างั้นเพราะถ้าหากว่าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งคือไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วคนมากๆขนาดนี้ว่างั้นไม่เอาแล้วประทวงใครเอาประทวงอาจารย์ว่างั้นอาจารย์ละทางดําเนินที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้พอที่จะทําให้พ้นทุกเนี่ยนะบัดนี้ไม่ทําแล้วประทวงแล้วไม่เอาด้วยแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็เสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคี พระปัญจวัคคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนนะนะด้วยพุทธานุภาพนะด้วยบุญญาณุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและด้วยเมตตาของพระพุทธเจ้าที่แผ่ไปในพระปัญจวัคคีทั้งหลายท่า น, นปัญจวัคคีเหล่านั้นต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาดจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือบาตรและจีวรเนี่ย บางทีก็ใช้จีวรพาดบาหรือว่าโดยมากจะพาดบ่าอุ้มบาจีวรพาดบาแล้วก็เดินไปเนยนะคือเขาจะไม่ได้ห่มแบบแบบที่พระเข้าบ้านนะพระที่อยู่ในข้างในหมู่บ้านจะหอมผ้าแต่ถ้าอยู่ข้างนอกหมู่บ้านก็จะถอดผ้าคลุมออกแล้วก็จะวางไว้บนบาก็ได้หรือวางไว้บนศีรษะก็มีสองอย่างวางไว้บนบากับวางไว้บนศีรษะแล้วก็สะพายบาหรือว่าอุ้มบาตก็แล้วแต่ รูปหนึ่งก็ไปรับบาตรับจีวรของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งก็ไปเตรียมปูอัศนะเลยอีกรูปหนึ่งก็จัดหาน้ําล้างพระบาทอีกรูปหนึ่งก็จัดตั้งตังรองพระบาทเนี่ยนะก็ที่ที่ล้างเท้าอ่ะนะจะต้องมีตังที่รองเท้าเพราะไม่งั้นยิ่งล้างยิ่งเละนะถ้าใครเคยล้างเท้าในท่้าล้างกระดินเนี่ยนะยิ่งล้างยิ่งเละไม่ล้างยังจะดีกว่ามันมันก็ต้องหาตังมาเป็นที่ล้างเท้ารูปหนึ่งก็นํากระเบื้องเช็ดเท้าเข้าไปถวายเนี่ยนะผ้าเช็ดเท้าอ่ะนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายละหังพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์ก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามว่าโคดมเนี่ยนะร ะ, ระบุพระนามเนี่ยโคดมเรียกถึงโคดขนาดนี้ถือว่าขาดความเคารพเอามากเหมือนกันและใช้คําว่าอาวุโสผู้มีอายุเป็นถ้อยคําที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยเนี่ยนะแหมก็ว่า ก, ก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี่เด็กกว่าเพราะน่ะอาวุโสเด็กเด็ก ๆ, ๆ, ๆนะเหมือนกับเรียกเด็กไปเลยเหมือนน นะเรียกชื่อด้วยเรียกใช้โวหารเป็นคำเด็กเลยเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์เนี่ยนะหลายแห่งอธิบายว่าด้วยพระเมตตาเนี่ยนะด้วยพระเมตตาเป็นสมุธฐานแห่งการใช้คําพราะองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คาว่าอวุโสน่นะพูดด้วยเมตตานะถ้าเป็นปกติทั่ ว, วไปเนี่ย คนถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมดีจริงเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานะครูบาอาจารย์เป็นต้นแล้วคนชั้นสิทธ์เนี่ยมาเรียกว่าอาวุโสแล้วก็เรียกชื่อตรงๆด้วยนะหมายถาว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะทางทางเอเชียเราเนี่ยถือว่าการที่ลูกศิษย์เรียกชื่อเนี่ยถือว่าไม่เคารพเอามากเนี่ยนะถือว่าไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้กระทั่งว่าพระราชาบางองค์เนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อตัวเองเลย แต่รู้กันว่าเนี่ยเราชื่อแบบนี้แต่ว่าจะไม่เคยได้ยินใครเอ่ยชื่อหรืออาจารย์บางคนก็ลักษณะเดียวกันไม่เคยได้ยินชื่อตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะถือว่าคนที่อยู่ระดับล่างมีความเคารพมากจะไม่เอ่ยชื่อของผู้ที่ตนเคารพจริงๆเนี่ยนะ บางทีก็จะใช้คําว่าพันเตอเยสมาอะไรทั่วๆไปเท่านั้นเองเว้นไว้แต่มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเอ่ยถึงแต่ปกติแล้วจำไม่เอ่ยถึงเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตรงนี้เนี่ยพระองค์มีเมตตามากะนะถึงเขาเอ่ยชื่อแบบนี้ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสทั้งหลายก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจว่าทําไมดูหมิ่นเราขนาดนี้เนี่ยนะแล้วดูหมิ่นเราขนาดนี้เราไปสอนอะไรเขาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่คือพระองค์เนี่ยทำกิจทุกอย่างด้วยปัญญาหมด ทำกิจทุกอย่างด้วยปัญญาหมดเล็งเหตุการณ์ที่อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกแบบไหนก็ไม่ไม่ใช่สาระสําคัญที่พระองค์เสด็จมาเพราะว่าพระองค์มาทำไมก็มาเพื่อสงเคราะห์เขามาเพื่อปลดเปลื้องเขามาเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกมาเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์บรรลุมรรคผลนนพานสาเร็จกิจอย่างที่เขาเชื่อมั่นเพราะว่า คนทั้ง5เนี่ยนะเรียกว่าปัญจวัคคีเนี่ยเชื่อมั่นในพระโพธิสัตว์มากถึงก็ออกบวชตามเลยนะพอได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชหคนเหล่าเนี่ยทิ้งครอบครัวทันทีเลยทิ้งครอบครัวไม่ใช่ว่าไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะทิ้งครอบครัวทันทีเลยเพื่อติดตามว่าจะต้องบรรลุจากบุคคลนี้แน่นอนมีความเชื่อมั่นขนาดนี้ฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีเมตานะว่าพระองค์ก็เลยห้ามาเธออย่าเรียกตถาคต ตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นรู้ลักษณะที่ถ่องแท้เป็นต้นเนี่ยนะอย่าเรียกเราอย่างนั้นดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเราตถาคตเป็นพระอรหรันเนี่ยนะอรหันก็คือไกลจากกิเลสกาจัดข้าศึกคือกิเลสหักเสกรกำแห่งสังสาระจักไม่มีความลับแก่การทําบาปผู้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเราตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธะ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 พอมาชอบพระพุทธ佛ตรงนี้เป็นคําที่ไพเราะมากที่สุดนะนะคือเป็นคําพูดที่เรียกว่าไม่ใช่ประโยชน์ของพระองค์โดยประการทั้งปวงแต่เป็นประโยชน์ของผู้ฟังโดยประการทั้งปวงว่านะว่าบัดนี้เนี่ยประโยชน์ตนเนี่ยคือพระองค์สําเร็จแล้วคือพระองค์เป็นพระตถาคตเนี่ยนะอัตถาคตอรหันตะ ส, สัมมาสัมพุทธะพระองค์เนี่ยประโยชน์ของพระองค์เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วบัดนี้เนี่ยนะพระองค์จะบําเพ็ญกิจคือการ สงเคราะห์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเงียบโสดฟังกล่า ว, ว่ากิจแห่งปัญญาตถาคตก็ทําเสร็จแล้วบัดนี้เป็นกิจของกรุณาที่จะช่วยเหลือพวกเธอทั้งหลายเพราะฉะเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมจะสั่งสอนก็คือตามพร่ำตามสอนตามบอกตามกล่าวขอให้เธอปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามที่แนะนําคือคําพูดเนี่ยนะบอกว่าแสดงว่าให้มีศรัทธาในพระองค์เธอ ถ้าหากว่าเธอมีศรัทธาแล้วเธอปฏิบัติตามที่สอนไม่ช้าสักเท่าไหร่ไม่นานหรอกก็จะบรรลุอรหัตผลขอให้ทำตามโดยวิธีการที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละ